ที่ท่ท่านก็ูธรรมดาหน้าตาของท่านยิ้เย้จ่ใสนเียงไฟร้มองแล้วขึ้นอกขึ้นใจร่างท่านไม่เหมือนฉันไม่ดำไม่รุกลาแบบนี้เียงไ่หย่แคือแบบนี้เสียงใสพูดโน้นตังระแม้อธิบายไม่ถูกความสดของท่านตอนนั้นมองแล้วมันน่ารักจริง ท่านพูดทุกอย่างท่านยืนยันว่าท่านท่านทำได้หมดไม่ว่าธรรมะอะไรจะเป็นเรื่องศีลบริสุทธิ์หรือสมาธิตั้งมัน่นจนกระทั่งเป็นการนิวจัตนายานอะไรท่านถามเ่าเขาท่านบอกฉันทำไม่ได้เกีย่ยงใดที่ฉันทำไม่ได้ฉันก็ไม่ยอมพูดมาไปเจอพระอย่างนี้ต้องจัดใจจริงๆมันขึ้นใจเมื่อท่านพูดไปพูดมาพูดมาพูดไปนกว่า ทั้งหมดมีใครเชื่อไหมว่าผีมีทุกคนตั้งอยู่ในการสงบเงียไม่มีใครตอบไปเชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วท่านไม่ท่านก็พูดอีกว่าใครยังไม่เชื่อว่าผีมียกมือขึ้นเอาแล้วตอนนี้เอาแล้วเรืองก า, รรางมาถึงชันแล้วฉันยกมือเรือตรีสวัสดิเรือตรีน้อมเรือเอกล้มประานของมีใจ ย, ยกมือขึ้เชือ แสดงว่าไม่เชื่อผีมีแตงกุมารพระกำแพงเพชรฐานมาตาเขียวปัดไปสี่คนรอเรียนผู้หลักผู้ใหญ่ในปัจจุบันเข้าตารางเอาไปแล้วป้าคำรามหลวพ่อปานยกนบนศีลบ่าวาจวาวไปขอถวายตะพอนกระเด็ดในกลุ่มขอให้อภัยแก่คนสี่คนนี้มี่เขาเป็นคนดีเขาอยากจะทดลองความตามความเป็นจริง ท่านพูดหมายว่าคนทุกคนที่เชือ่อว่าผีมีเนี่ใครเคยเห็นผีบ้างเอาใครเคยเห็นผียกมือขึน้นมีนายทหารสคนเดยยกมือตอในเงียบจิตแต่ว่าใครยังไม่เคยเห็นีเห็นผีบ้างยกฝึกท่านโกรธแล้วตอนนี้ท่านที่เคยเห็นผีแล้วก็ไม่สงสัยเรื่องผีอาตมาก็ยอมรับแต่มาท่านที่เคยเห็นผีแต่ว่าเชือ่อว่าผีมีก็น่าคิดเหมือนกัน เมื่อความแน่ใจจริงใจ ย, ยังม่มีเอ้าท่นานถามใหม่ว่าตอนนี้ใครอยากจะเห็นผีบ้างทุกคนยกมือสุดหมดท่านก็บอกว่ามือลองบัดีแล้วตอนนี้ต้องตั้งใจสมาทานกรรมฐานท่านก็สอนให้สมาทานกรรมฐานมมาหพวภ า, า, าวังตุมหาการปริจจาลิขเจ้าขอมอบ ก, กายถวายชีวิตองสมเด็จ พ, พระพาาุทมีตถาคเจ้าเราบวชบทนำนิดหน่อย ตามจำเนียมแล้วสอนให้ว่ากถาสี่ตัวไอ้กถาสตัวนี่ฉันจำไม่ได้เพราะมั น, มน 3, 4, 4วันเ้วฉันเกพระะฉันตต่ ป, ปีแรกไม่ได้ท่องมาวาเพราะว่าฉันได้แล้วฉันก็เลเลิกีตอนนั้นท่านสอนให้ว่ากถาสี่ตัวให้ตัง้งจิตสงบจับลมในใจเขา อ, ออกว่ากถาชาชาอย่าประสงในการเห็นอะไรให้เจับลมในใจเขา อ, ออกลมมันเข้าไปถึไหนไมัเข้าไปลึกลมเข้าไปเต็ม เริ่มใจเข้าใจออกให้รู้นนว่ากระชาช า, ชาแลจรู้เองว่าขีมีหรือไม่มีเพราะว่าตามตามท่านอย่างนั้นเพียงไม่ถึง ห, าห้านาทีท่านก็ให้สัญญาบล้แต่ว่าใครเห็นขีปองยกมือสุดหมดทุกคนเห็นคนเองเขาจะเห็นยังไงนะฉันไม่รู้ฉันรู้แต่เียงแบบภาวนาไปได้ไม่กี่ครั้ง่งิดยาดฉันที่ตายไปแล้วที่ฉันรู้จักมา น, นั่งอยู่ข้างๆมองจ่มใส เห็นเยอะที่ตัณญาต่างไม่ใชญาติต่้งไม่สวยบ้างฉันก็แนะใจว่าพวกนี้เป็นผีแหละแต่ความจริงัก็เคยเห็นผีเห็นผีที่เป็นปกผีธรรมดาใช่มับ้าไอ้ันเป็นคนไม่เหมือนเ่าใบาบางครั้งฉอยากจะเห็นผีทั้งที่ไหนผีดฉันก็ไปนอนที่ันในหอกต่ผีไม่หอกหรราะฉันนไม่ดีเบาบ่ เวลาจะ่ดินลอยแล้วคหลอกสง้ก็เฟืนองกรเดื่อแล้วก็มึกระเดื่อจะไม่คิดสมัยแต่ก็ใส่กระเดื่อคิดกระเดื่อนี้มันดนความไม่ดีของตัวเองเพราะว่าไม่ดีเพราะอะไรเาตัวเองเป็นคนตัวผีแย่ตัวเราไม่ไปอย่างนั้นมันสดงถึงความขาดแต่เข้าใจว่าเป็นคนกล้ามีไอ้ตัวมิจฉาทิฐิอะานีไม่ใช่อะไรจำไหมอารมณ์อย่างนี้ไม่ใช่อารมณ์ดีแล้วไปทาแบบผิดผิดทาง ไม่ไปตาแบบที like ่ยวเเห็นะืูคที่สมาณกายอทิตสมาณกายนะฟงให้ดีไม่ชื่อพูดไม่ได้อทิตย์แสดว่าไม่เห็นตายปลว่าร่างกายแปลว่าเราไม่สามารถจะเห็นร่างกายได้โดยตานี้องอาศัยจิตใจสมาธิเห็นนอกจวเขาจะแสดงให้รู้เราเ เมื่อฉันเห็นผีแล้วท่านถามว่าเชื่อหรือยังฉันบอกว่าเชื่อพอเลยกับท่านแล้วก็บอกว่าเชื่อแล้วก็รับแล้วต่อไปก็เดินเรียนถามทานว่ารีเราเห็นแล้วครับแต่กระผมอยากเห็นสวรรค์ถ้น า, ารกกเคยเห็นมาแล้วในการตายวานะที่สอง่านก็ยิ้มบอกฉันทราบแล้วจเห็นสวรรค์เห็นสมมาโลกอยายจะทราบว่าสวรรค์มีจริงไหมสัมมโลกมีจริงไหมท่นยิ้แล้วก็ตอบว่ามีหลา มีแม่สวรรค์มีจริงในโลกมีจริงเล่าจากสวรรค์นั่นในโกเล่าจากตัวมนุษยก็ยังไม่หยุดถาม่ารนนิพันธ์าว่าทุกอย่างในหลวงพ่อนจริงจเลยรับากมามพันธนมลาหลวงพ่อปนท่านจเรยรูก้าสมพพราะท่านรูปิสยของท่านท่านเป็นคนเาระเบียบท่านก็บอกว่าเสด็จเปล่อยให้ดผู้สาวยาสายคนนี้เป็น ้าจารย์มาบอกว่ามีจริงนั่นฉันก็เห็นนารกในฉันไปเทียวเป็นปกติเที่ยวทุกขุมเมืองนารกดินดันเปลือดดินแดานลาสโรกายสวรรค์ใ้เที่ยวทุกท่นานตวรคฉันเที่ยวใดทุกท่านเทีวกเทวดาได้ทุกองเทีวกับผ ม, ผมได้ทุกองเล่าจากนั้นฉันง น, นิพพานด้วยก็เรียนถามฉันว่าเล่ากับผมก็อยากจะเห็นสวรรค์เห็นตัวมรรคไปนิพพานครับ พอแล้วพ่อโปรดฉันถามว่าใครบ้างที่ต้องการย่เหมือนอย่างนั้นทุกคนยกมือทุกนฉัก็เลยบอกว่ า, าไม่ต้องการอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรฉันจะให้เห็นได้สวนนะรรค ม, ม่โลกนผานฉันให้เห็นได้แต่ว่าเธอต้องเชื่อฉันนะฉันสอนอะไรให้เธอแล้วเธอต้องปฏิบัติตามคำหมายใอย่างโง่ๆนะอย่าเป็นคนอา ถ้าคุณไหอะหะคุนั้นไม่สามารถจะได้ไม่สามารถจะไปได้ใครทปฏิบัติตามคำสั่ ง, งขอขาอาจารย์อย่างงงคุนั้นจะไปได้ถาม่าาะอะไรถึต้องทำตอย่างงง้างก็ตอาพราอารมณ์จเป็นสมาธิถ้าทาไปแล้วคิดนอกกลนอกทางจิตสใสจะรู้มันเป็นอารมณ์ของจิตฟุ้งานที่เรียกุตจกุจอารมณ์้นไม่รงสมาธิ จิตที่ดีที่รับผลปฏิบัติได้ดีก็ต้องปฏิบัติตามแบบโง่ๆหมายความว่าทาตามคำมาจารย์สอนทุกอย่างถ้าอารมณ์นี้ยังไม่ถึงอันดับนั้นเราจะไม่เปลนแปงเราจะไม่คิดอะไรเป็นอย่างอื่นรับวัดปฏิบัติได้ก็ขอเรียนกับท่านรรมำใเธอพอใจแล้วบอกว่าพอใจก็แ บ, บอกวพอใจก็ผมขอเรียนท่านบอ ก, กบ็ยิบอกเรียนได้แต่ว่าเรียนไป็ น, นาววัดทเรียนไม่ได้ ต้องบวชซะเจรียนเอาแล้วก็พอท่านบอกว่าต้องบวชก็รู้สึกอึ่งอัดอัน้นซานใจจิตใจเวลานั้นอยากจะบวชแ้าเกรงเกรงท่านแม่ทัพาเกรงเสนาบดีท่านจะไม่อนุญาตให้บวชท่านเสนาบดีโกมกาจำแพงหันเข้ามาบอกไอ้สค น, นต้องบวชเอาแล้วมีพระบัญชาแล้ว ในฐานะที่เป็นคนหัวแข็งไม่เชื่อผู้หลักผู้ให ญ, ญ่แกต้องบวชเป็นทั้งสี่ ค, ค, คนถ้าไม่บวชติตารางถ้าไม่มีใครเป็นจ้ภาพไห้ฉันจะเป็นเจ้าภาพหลวงพ่อปานหันมาถาเพราะว่าอย่างปวดไหมเพราะว่าถ้าหากว่าท่านเสนาบ ด, ดีอนมอุมัติเจ้ากับผมก็บวชรับบวชด้วยความเต็มใจเมืท่านรแพงเพชรงกล่าวว่าแต่วแกต้องบวช ได้แข่งจาในญาติแต่แกทั้ง4คนบวช3ามพันษาในระหว่าง3ามพันษานี้ฉันจะขึ้นเงินเดินให้ทุกทีถือว่ายังไม่ขาดาการราชการแล้ว4คนที่เป็นเหลือตรีนี้ถ้าบวชถึง3ปีแล้วทราบติบออกมาฉังจัดแต่งตั้งให้เป็นเลือเอกจะขอบรรดาศักให้เป็นคุณหลวงทันทีแช่สำหรับหลวงทานตองใจเป็นคนมีครอบครัวแล้ว ถ้าจะบวชถึงภาเดียวศึก็ใช้แด่แต่ว่าต้องปฏิบัติกรรมฐานให้เกิดผลตามที่ตนตัง้งใจไว้ถ้ากรรมฐานยังไม่ิดผลเพียงใดทดสอบแล้วจากหลวงพอ่อท่านหลวงพอ่อก็ยังไม่ได้ผลตามที่ตัง้งใจไว้ถ้าศึกออกมาิตาางเอาเะว่าถ้าบวชถึงสามสาแล้วเมื่อศึกออกมาฉันจะตัง้งแต่งตัง้ตงให้เป็นนาวาทและตั้งให้เป็นคุณันี มีอาศัยคุณของพระพุทธาศาสนาเข้าคุ้มครองเหมนจะเป็นเขาอาศัยบา ร, รมีเดิมแล้วมั้งเพราะว่าปายก็ยิ้มบอกว่ายังไงคนสี่คนจะบทไหมทุกคนลุกขึ้นกล่าวว่าบทด้วยความเต็มใจเพราะรั บ, บกคนนานทหารฮึ้นไอ้ที่เขาฮาน่ยไม่ใช่าอะไรเขารู้สายใจอในฐานะที่จะไปลุกลาญพระอะไรต่ออะไรเลยแล้วถาว่าพาใคุย เพราะอาระหลวงพ่อนี่มีความสามารถมากสามารถจับกระทิงเกียวตัวสาคัญที่ตัวก็้าไปบวชในพระพุทธศาสนาได้เขาพากันส่งเสริมความดีของพระปานเพราะว่าทุกคนเขาก็มองฉันอย่างเยอะๆลองพกันอย่างเยอะๆหาว่าวฉันเปนกระทิงเกลียวเาราว่ดเวลานต้องถูกจับขังกอกเลยแต่ฉันก็ดีใจฉันก็ได้บวช ไอ้ในบทเออฉันไม่ต้องการนะฉันต้องการสวรรค์เห็นสมโลกแค่นี้นะฉันต้องการเท่านั้นฉันขอเล่าอย่างเป็นอันมาบทมาบทออกจากบทแล้วหลวงพ่อปานก็เิราเรียกเข้าไปสมาทานประมาททันทีแต่ว่าอนที่จะบวชเวลานั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเดือนเมษายนเวลาบวชเป็นบวเดืนแแต่หลวงพ่อปานกลับแล้วสักวัน ท่านสมพระกำแพงเพชรเลยชั้นสคนหนึ่งเข้าไปเปล่าท่านพระมกนิษฐ์เให้คนรักสองเลยบอกไปหลวงพ่อปานส่งมาให้เรื่องหนึ่งเป็นเจตจำนนใจจิดโอข้อให้ท่องเลคือสดมนักขันนาดูสึกผไม่ฮีบทผมไม่ต้องฟองฮีบทนะเพราะว่าพระที่บทยังมีความประสงค์จะปฏิบัติธรรมานในเรื่องหนึ่งก็เป็นวิสุทธิสมมสมาธิวิเษ ท่านจีตหัข้อย่าหยอกที่จิตหัวข้อว่าหข้อย่อทั้งหมดต้องท่องจำให้ได้แล้วก็ให้เข้าใจความอะไรก่อนหท่านจุนซ่ากำแพงเพืจะมีพระบัญชาวัานรันแล่นี้ต่อไปพวกเธอไม่ต้องทงานใหลาได้จับบัรทีไ่ไปไปเท่าหนังสืตอตวดูหนังสือ ใ, สให้เข้าใาเป็นระ บ, บัญชาพวกเราก็มี โดยฉันต้องือคนท่องจิตตนานและท่องข้อกรรมฐานทาี่ศิษ้เข้าใจชับจำได้มีดูในความดูในความจนจบหลายจบฉันดูจบแล้ฉันก็ย่อในความไว้ทุกข์ทุกบททุกข้อขอจนกระทั่งขึ้นใจมีความพอใจรู้สึกว่าเบาใจในเรื่องการปฏิบัติการปฏิบัติเมือเรื่อแล้วได้เข้าไปสู่สานักของท่าน เมื่อเจริญเมื่อสมาทานแกรรมฐานแล้วฉันก็มีบัญชาสั่งแท้ยกุติเอาตามชอบใจถ้าพวกฉันทุกคนขออยู่ในป่าชาถ้าป่าชาเป็นที่สงัสมัยนั่นหอสมัยนี้เนี่ยป่าชาราะวตอนคุณเราากเราจะเปลยนแล้วสมัยที่ฉันไปบวชตอนแรกๆมีเสือปลาอยู่มันรกมากเป็นกอไผ่หนาทึบคนไม่อยากจะเข้าไปเป็นที่สงัดแต่ถึเวลา ยังวันอย่างนี้ชาวบ้านเลยพยายามผ่ามป่ชาช้านั้นเพราะกลัวผีเพราะมันหนาทึบเ ย, นเยน็นเยือกเย็นฉนเต้องการอยู่ป่าชา้าเพื่อนทั้งสามคนก็ต้องการอยู่ป่าชา้าเพราะเป็นคเอาต น, นี้ อ, อไไม่ได้เกั์โโสมัยนั้นนแล้วไปจะเป็นเป็นนักเจริญฌานทั้งนั้นรเก่ า, กาสอศ า, าอย่างนี้ไปคุยกัท่านไม่ได้เลยเรื่องโลก อะไรเนโลกระยำปั๊มเปย์อยที่เราครองกันยเนี่ยท่านไม่พูดกัท่านพูดเรื่องฌานสมาบัดพูดเรืสวรรค์ท่านนั้นนะรกท่านนี้ทไปเที่ยวกันมาแต่พูดเรื่องไมเที่ยวทำไมได้อ่านเยท่านนีนท้ท่านก็มีเวลาอ่านคุ้นควาทำราแต่ว่าท่านสงสยัยอะไรขึ้นมาทั้งกบไปกท่านเอง น, น่าเรื่มสายน่าเล่นใจจิดใจมันก็เฟื่อูเข้าไปอยู่ในหมู่คนประเภทเดียวกันันแลหายทั้ง หลังจะขึ้นกรรมฐ า, านสมาชัายทั้งสามใตอนตอนน้นเขาสู้ฉันไม่ได้แต่ตอนปลายฉันสู้เขาไม่ได้ในตอนต้นเริ่มวันที่สามจากการจะสมาทานกรรมฐ า, านวันตนวันที่สฉันได้ฌานสี่มีรู้สึกตื่นใจมากมีความเ ย, าายือกเย็นอาการของฌานสี่คือทำไปทำไปไ ม, ม่ปรากฏลมหายใจอามณ์ดึง ส, สบาย อย่าที่นรพายเคยพูดในงไบ่อยว่าจิตมันว่างไปเฉยใช่นั่นแหละจิตมันว่างคว่ามันว่างหมายความไม่รู้อะไรมันมันก็สบายๆมันบอกไปถูกไม่ใช่จิตไม่ใช่หลับไม่แล้ไม่ลืมตัวใจมีอาการเหมือนไม่หายใจมีความสบายว่างัีตน้นเป็นอุาแปลความว่างเฉยตัวว่างๆตัวสบายๆหายใจก็ไม่ไม่รู้สึกหายใจภาวนาภาวนาจิต อางโยนารมันอยมีความสุขยินดีเสร็จสงบยินดีเสร็จยังไ่แ่กายคนฉันที่งวงอปยยิ้มตอนเช้าทท่านอยู่กับท่านฉันทำในบาย ช, ชาพอเวลาไปฉังข้าวรวมกันไปฉัข้าวเสิ็เวลาฉันข้าวในไที่มันงัไม่มีใครพูดวดท่านมีระเบียบพร ะ, ะาขาวปนั่งก่อนนัน น, นั่งทีหลังันไปแล้วไม่มีใครพูดเจอความจะกินข้าวยิ้ข้าวก็ไม่มีูด ท่านพูดองเดียวจนกว่าจะลุกกลับมาปฏิตนั่นแหละจะกันแล้วเียท่เอียร้อยดีทุกอย่างตมความเป็นาเดินายนาไหวนบาาสมัยนัเงาแล้วต่อมาพื่อนของฉันก็ได้ทานสีไปในสองสามวันได้ทานสีอกันหมดนี่เป็นรายกฎการในการฝึกกรรมฐานอันนี้ฉันจะเล่าลัๆ เมืนน่อได้ชันสีใ น, นาปานรุสติกกรรมฐานแล้วแทนก็จะเริงเกษีเพอยากจะเล่นอภิญญาถ้ากินดวงแรกถือว่ามาได้ชันสีเมื่อดปลายมันต้องอุปจาระสมาธิก็ปลายกดตัวแสงไฟกดดวงกินแทนก็ทราบชันสีเพราะตามเร่พระปานทีมายไว้ว่ากรรมฐานกองเก่าๆในชาติก่อนจะเชื่มขึ้นต่อกัอนมาเป็นระยะระยะแทนก็วน่านะเป็นเจี ฉันก็จับเอาใจโชกศิลป์เข้ามาเจริญคนทุ่สุก็ได้ใจโชกศินป์ในชั้นสี่ภายในเวันเมื่อลจโชกศิลผ่านไปเอาสุปกรรมฐานก็ปรากฏเอาสุปกรรมฐานคืออติสังปฏิพลังกระดูกข้อที่สี่ปรากฏขึ้นฉันก็จับเอาสุปกรรมฐานในข้อกระดูกอสุปกรรมฐานผ่านไปภายในเจ็วันได้ก็ได้ใจที่สุดแล้วต่อมา ก็ปรากฏว่าอาโลก็สิ่งปรากฏคือแสงสว่าฉันก็จับอาโลกสิอาโลสงผ่านไปภายในเจิดวันในชันสีแล้วก็ว่าทรรมวาโยกสิ่อาโปกสิ่เป็นลำดับไปปฐวีก็สิ่ล้วโอธาแต่กสิ่งผลสุดแขนได้ก็สิ่งทั้งหมดสัมมันหกเจ็ดกองแล้วก็เจริญในอสุภกรรมฐานแล้วก็ในภพมรรคฐา ในกายกัตานุสติในพุทธานุสติธรรมานุสติานุสติสมัณฑน์แล้วก็เจริญในหาเยปิโกเดสญาต่อมาก็เจริญในอรูปฌานน้ำหน้าฌานส่จากต่จากเกษนนาฌาน4แต่ว่าเกษินน้ำหนาไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าหลวงพ่ปันและหยับยังเสียเพการทรงกษินทั้งหมด ก็จะต้องส่งอภินยาฉันบอกว่าุณไม่ควรจะส่งอภิญญาเต็มที่แค่ไล่เทนี้ก็พอแล้วและเพยงแค่ที่ไปอยู่หอยังก็พอสมควรถาคุณต้องยร่วมกับประชาชนเป็นส่วนมากไม่เหมือนสองค์คือีพธิวัอีมไพรหรือว่าีสวัสดิ์เีน้อันเองอคนนี้เขาสอภิญญา เขาว่าจะทิ้งเรียบไปเลยสิบกองล้มคอนภายในสองเดือนเมื่อภายในสเดือนนั้เรากรรมฐานกันสั่งสิงกองทได้ดีทำว่าสิบกองในที่นี้ก็ไปเห็นญาทักท่านผู้ฟังที่ไม่เคยปฏิบัติคิดว่ามันจะเป็นของยากความจริงถ้าเราจเจริญกรรมฐานกองใดกองหนึ่งทาแล้วอารมณ์กรรมฐ า, านก็เหมือนกัน ไปไปทำกองไหนก็ตามไม่ช้าเข้าถึงสุดจบประชาลมเหมือนกันเปลี่ยนวิธีการนินยจะโกล ก, กวันองวันลสไม่มาจัประดับได้แล้วม่อลงทางน่นแล้วก็ถึงที่สุดนดยไม่ช้าท่านี้ก็เหมือนว่าเร า, ป า, า, าเป็นนักมานักมาเมื่อเป็นซะแล้วไม่เหมือนกับมี่ใหม่ๆกดนไปมาย่างก้าวก็ลม้มก็ลม้ม ก็จะทรงตัวกป็ลังมาได้ก็หลายวันบาทีก็ถึงกับบอกจำในเมื่อเราคล่องในการขี่มา้ากันแล้วเมื่อเราเอามาตัวอื่นมาขี่ก็จะถูกคลักม้าจะหรือกว่าจะบังคับได้ยากเป็นวันถึงวันแรกมารู้ใจแันแล้วก็บังคับมา้า ไ, มไปจุดถึงจุดหมายปลายทางได้พรนี้มีอุปมาฉันใดในการเจริญกรรมฐานก็เหมือนกัน การ เ, เร่งการบรทาขึ้นอย่สภาวะเช น, นั้นมาทำทั้งทางที่ได้อย่างแล้วอย่างแล้วต่อไปโดยของไม่ยากเพาะมีรูปการปฏิบัติเหมือนกันเป็นวิธีการเล็กน้อยเท่านั้นอันนี้พูดถึงว่าท่านทัง้งสองคือฤษีโพดีวัชรฤษีขนมไปเพืรับอั้อภิญญาหกอภิญญาหนี่ยหน่รงรสงิ์ต่างๆได้สได้ทิพสตราน มสามารถจะฟังเสียงต่างๆจากที่ใครแล้วเสียงผิวเสียงเทวดาเสียงลมเสียงศาสนาลุกอะไรต่ออะไรฟังได้สาแล้วก็สาตัปปปติยานสามารถจะรู้สัตที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนสัตว์ที่มาเกิดนีมาจากไหนสี่เจโตปิยติาสามารถจะรู้วนั้นติดตัวความคิดในของบุคคลทั้งหลายได้ ครกบกวาใครคะไยั้าปุตนวาสานุิญาณราชานุหลังใดนี่เป็นเป็นเรื่องว่าเป็นอจิญญาสหรับโลกีน้าถ้าทำกิเลสห้หมดไปรีว่าสวัสดิยานจนกลาอหันนหกลยกันสาหรับโลกีนิฮ้าแตยังมีญาณเปียดเทียบมียายนจิตตามที่อติตามสญาณเรื่องราวในอดีตตามสิญาณูเรื่องราวในอนาคต จจปัจจุบันปัญ ญ, ญายาู้เรื่องราวในปัจจุบันยะถาจำโมตุยานตาญาณตัวยะถาจำโมตาญาณนึกจำของสัตว์มาที่เขาลำบากของเขสบายอย่างนี้ก็ใช้จำอะไรทีเดียมื่อเป็นองค์กรเป็นยาหมายความว่าอบรรยากาศได้นีไม่้นนะมอะไรต่ออะไรก็ได้ตามชอบชมันก็คนเล่งคนมอเ่งว่าคนเล่งคนนีเป็นสิญญากเมื่อเพ่งเขาได้อสินยา ฉันก็อยากบ้างอยากจะได้ก mm ับเาบ้างทีตอนนี้เราฉันสู้เขาไม่ได้ก็ไมเสียใจเพราะฉันก็ส่งฌานสี่แล้วก็ฌานสีอยากทึบๆได้ฌานสี่เฉยๆฌานสีให้สบายเฉยๆการที่จะเฐานที่ได้ฌานสจะเร็วๆส่ฌานได้แต่เขาไม่อยากรูไม่อยากตัวหายฌานทำจิตสงบโดยเฉพาะอย่าไปอยากนนอย่าไปอยากนี คนที่อยากเห็นตทธิ์เสน่น์ภาพต่างๆนะ้ปฏิบัติไม่ถูกปทางไปทำลายสมาธิที่ทงไว้ถ้าปฏิบัติตามคสั่งของอาจารย์ใช้วงพลนานกำหนดลมให้ใจเขาออกหรือจับนิมิตเฉพาะนิมิตอื่นทีน่มาปรากฏไม่ยอมรับับถือับถือ ย, ยอมจับกบหนด จ, จ, จนนนดจแต่เพียงวนิมิตเฉพาะในภาพของก็ในภาพของกรรมฐานนั้นๆที่ปรากฏเป็นนิมิตท่า น, น แอลูนียมนอนั้นไม่ต้องการอย่างนี้ไม่ช้าก็ทำอะไรก็ทำได้รวดเร็วที่ทำกันไม่ได้คือเพราะปฏิบัติไม่ถูกอันนี้ขอรับรองว่าตามกฎเป็นตามนี้จริงๆไม่ต้องอาศัยบา ร, รมีใดๆเ่บา ร, รมีท่านหมายถึงการก โ, โาสิทธาาา ร, าารหันสหรับทาอย่างนี้เป็นทานโล ก, กีไทๆก็ทาได้คนทุกคนที่เกิดมาในโลก มีสิดจะได้เดียกันทุกคนเพราะท่านให้ชีวิตชาญโลกคืคือเป็นชาญของชาวโลกอ้คชาวโลกที่ไม่เพราะทำไม่ได้ครับเพราะทำไม่ถูกคือทำไม่ถึงใช้วิทยาอุปสาหาไม่พอมีความฉลาดไม่พอเลยฉลาดเกินไปบอย่า น, น, นี้ที่ไม่ได้เพราะว่าทำไม่ถูกอวดิเศษเกินไปนั่นเองรคนอ ด, ดื้วถือดีบางคนก็เป็นประเทศเยียดที่กยไม่พอ ทำอะไรเปล่าเปล่าแฝัดแฝัดนิดเดียวหน่อยคนใหญ่จะได้ถึงนั่นถึงนี่คนประเภทนี้อย่าไปคบเลยเลืองเวลาครบแท้อะไรไม่ได้ไม่เลือกเขาได้เอพิญญาเาเที่ยวได้ไปสวรรค์มาไปนรกมาไปสมมมุนทรโลกมาไปไหนต่ไปไหนมาเขามาาขานันลอยตางใจก็ข้ใจหยใจก็อยากจะไปกับเาา นี่เขาเนี่ยในมุตอะไรต่างๆทํตะเกียร์ทำอะไรตัวให้ดูว่าทำได้แต่ว่าแข็งก็ทำไม่ได้ก็มนุษยในใจบอกโอ๋เ oh, น no เราก็มากับเขาทานสีแล้วก็ได้เดียวกันแต่หลวงพ่อท่านมาให้เจริญจะสิ้นทั้งหมดท่านกลัจะได้อภิญญา mm hmm. แล้วก็คนอย่างเรานี่ถ้าไม่ทรงอภิญญาแล้วทำไมจะเห็นสวรรค์จะเหนรกก็เขได้บาง ที่เขเห็นกันได้เขาเที่ยวกันได้แล้วเราก็ได้ใจฉีแต่เราก็ไปไม่ได้วันหนึ่งอดนทนทำไมได้ก็เข้าไปกราบกราบหลวงพ่อบอกหลวงพ่อก็รับผมอยากจะเรียนฌานอยากจะเจริญจะีอ่อยากจะท่องเทียวในต่างๆใบางเาบ้างครับเวลาบวชรมนี้ก็ตั้งใจจะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นกมโลกลเห็ น, นิาน เวลานี้เวลากรลุกเขมาสองเดือนกว่าแล้วแต่ผมยังไม่ได้อะไรกับเขเลยเรพอทั้งยบอกว่าไม่ใช่คุณไม่ได้แต่คุณนั้นได้แล้วทุกอย่างแต่คุณจารณาเพียงว่าจะไปเที่ยวในสวนไปเที่ยวนรกไปเที่ยวพรมโลละคุณไปได้แล้วแต่คุณฉลาดไม่พอเอ๊ะอยู่ตอนนี้ก็ขึ้นใจานว่าฉลาดไม่พอแต่สงสัยว่าทำไมถึงว่าฉลาดไม่อพอราะผมโง่ตรงไหน ก็จะว่าเธอละไม่โง่ตอนที่ไม่รู้จักใช้จิตแต่รู้เธอรู้จักวิธีใช้จิตแล้วก็เธอไปได้นานแล้วฉันจะคิดว่าถ้าเธอฉลับแล้วเธอก็ไม่รอที่เวลาเดือนหรอก็วันแรกเธอก็ไปแล้วตอนที่เธอได้านตรงนั้นแหละแล้วก็เธอได้มาเจริญในเตโชกระทิงแนดับที่ โดยเอพาอย่างยงเตโชกสิงก็ดีอาโลก็สิงก็ดีโอทานตะกสิงก็ดีแต่ทิ้ทั้งสามอย่างนี้เป็นกังสิงก็องทิพยประจุกุยานถ้าเธอฉลาดนิดเดียวเธอเห็นสวรรค์ในสบายเห็นพุมธโลกได้สบายเห็นนรกได้อย่างสบายถ้าเธอมีวิปัสสนาญาณอีกนิหนึ่งเธอก็สามารถจะเห็นพรนิพพานในอย่างสบายแต่นี้เธอไม่ฉลาดเธอมุ่งหน้าแต่ทางฝ่าเรืยไปเธอไม่คิดจะปลูกข้าว เอาก็แล้วถูกเทศเราทั้งป่าให้มันเปลี่ยนแต่เราไม่คิดจะปลูกข้าวมันก็ได้แต่ที่เปลี่ยนเปลี่ยนไอ้ผลมันก็ยังไม่เกิดามากไอ้ผลที่ได้กคือผลเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้ข้าวที่อผักเียเป็นอาหารมันก็ยังไม่ได้เธอได้เมุ่งหน้าทำทำฌานโดยลุ้หน้าเข้าไปรุ้หน้าเข้าไปแต่ว่าเธอยังไม่ไม่ปฏิบัติในด้านผลของฌาน ถ้าเธอจะเห็นสวรรค์เห็นนรกได้ยังไงเธอจะไปสวรรค์อจะไปนรกได้ยังไงมีกำลังเธอพอแล้วถ้าจะเปรียบกับคนที่ฝึกกำลังกายก็เธอก็มีกำลังมากพอพอที่จะยกอะไรต่ออะไรได้ตามความความสามารเป็นไว้จาปิยยาหที่จนห้ามกัเพวกว่าทั้งสององค์นั้นเมื่อฝึกเป็นสาแล้วจะต้องเข้าป่าเพราะเขาจะได้เสรงสูง แล้วก็อยู่ไม่ได้ถ้าที่ทรงอภิญญานั้นอยู่ในบ้านเมืองไม่ได้ต่อไปพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นฝ่ายบริหารจะเป็นพระอันดับผัไม่ยอมเคารพการับถือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่วิชาการแต่การปฏิบัติย่อย่อนบุคคลปฏิบัติในิ่อภิญาสมาบัติอเอนบรรศแสดงิต่างๆนาหลายพวกนี้จะหาว่าเป็นร่คนอวดอุตริมนุธรรม ก็จะทำการทำลายจับศึกเสือบางับออกจากมู่คณะบาให้รับความอัยเะ น, นั้นสองค์เือสีโพธิวับสีพนมไปเมื่อถึงสาแล้วตอ น, นั้นไปความวุ่นวายในตัวผู้ตศาสานาจะเกิดทั้ ง, งคนต้องเข้าป่ายา ก, กับเข้มาในเมืองปอันขาด จ, จะถึงเวลาสมควรสหรับ สตัวฉันเองนะท่านหันมาพูดสหรับเธอต้องทรงเพียงแค่วิชาสามไว้คือหมายความว่าเรียนในด้าน่เปู่กุยานและการท่องเที่ยโดยมโนวิถีไม่ต้องยกกายไม่ต้องทรงอภินญ์ ญ, ญาไปได้ไม่กันแต่ไปแล้วแต่ใจร่างกายยังไม่จาเป็นจะต้องไปอย่างเขา mm hmm. ทรงอภิญญาก็สามารถจะออกเหนือนในการแสรดงนิสสังสารได้และพวกเขาจำจะต้องอยู่า แต่เธอเนี่ยถ้าเขาทำแบบอย่างเขาไล้อาศัยที่ต้องอยู่กับชุมชนเมื่อสักวันหนึ่งบรรดาคนหลายที่มีความเคารพนับถือในใเธอเธอก็จะมีความเกรงใจในในฐานะที่เขาทรงเขา อ, อนุเคราะห์คนสักคนหนึ่งมาขอให้เธอทำอะไรให้ดูแม้แต่สักนิดหนึ่งเมื่อเธอเกรงใจทำห้เขาดูแลปากเขาก็จะพูดไปคนที่ยังไม่เคยเห็นก็จะขอดูไอ้ความเกรงใจอย่างนี้ จะเป็นเหตุให้เธ อ, เธอไม่มีโอกาสโดปฏิบัติความดีทันทีที่ไปเพราะจะโมสะแสดงนิสิคนหลายเขจะติดอยู่ในนิสิตไม่ติดอยู่ในธรรมะจะทำรหศาสนาเขสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าเสื่อมามเธอจริงไม่ควรปฏิบัติในด้านอภิ ญ, ญาเธอนีคนไม่ได้เจอเข้อฝ่าไม่ได้